ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมะรับอรุณมาพบกับตรมุฟังเป็นประจำทุกวันนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาัยบูรณ์อาพี่ปุนโนในทุกวันพุธเป็นช่วงกองใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนธมุฟัง เราจึงค่อยไปฟังธรรมะอันเป็นธรรมะที่มีความลึกทำให้มันแทงตลอดกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราลุดออกได้ประกอบด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งแตงตลอดวันนี้จะนำเสนอเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องนั้นเรามาทำจิตให้สงบกันสักนิดหนึ่งตั้ังหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย า, กยาว หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆกำหนดรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาการจดจ่อใส่ใจเพ่งจิกรวว้นะที่ตำแหน่งนั้นพอรู้แล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงลอยร่างกายอย่างสบายสบาย หายใจเข้าหายใจออกมีความคิดแน่ได้ยินเสียงแน่เห็นภาพแน่แต่ไม่ตามไปไม่เปลินไปไม่เผลอไปไม่ตามไม่เผลอไม่เปลิปปลปลนคือมีสติอยู่ครับลมหายใจณนะตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก ความคิดมีแน่นอนนะเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้ไม่ลืมลมก็คือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เปลินรับรู้ความคิดอยู่แต่ไม่เปลินตามไปคือมันรู้หมายถึงมีวิญญาณรู้ก็ัก้คำว่ารู้ไงแต่ไม่เหมือนกับเปลินรู้แล้วเปลินนี่จิตใจมันจะไปเกลือกกลั้วตามอารมณ์ของความเปลิานั้นแต่ถ้ารู้แล้วไม่เปลินคือมีสติ ในที่นี้เราใจลมหายใจเป็นเครื่องมือหายใจเข้าหายใจออกทำซ้ำอยู่อย่างนี้แหละทุกวังเหมือนชาวนาเขาทำนาทุกปีทุกปีเขาก็ทำอยู่แปลงเดิมนั่นแหละเขาก็ได้ผลผลิด อ, อกทุกปีทุกปีเหมือนเราไปทำงานอยู่ที่ทำงานคุณก็ไปทุกวนันดูวันนั่นแหละเรากูก็ได้เงินเดือนออกมานะเหมือนเราดูลมหายใจนี่แหละบางคนพอจำเบือ่อ จะเบื่ออะไรให้คุณดูทุกครั้งทุกครั้งก็สติมันก็ตั้งอยู่นี่แหละถ้าเบื่อนี่แซวมีนิวรณ์เบื่อก็รู้ว่าเบื่อแต่อย่าเพลินไปตามความเบื่อไม่เพลินตามความเบื่อแต่รู้อยู่ยเฉยๆว่ามีความเบื่อเกิดขึ้นรู้อยู่เฉยๆโดยไม่เพลินไปด้วยการไม่ลืมลมอย่าลืมลมเราไม่เผลอเราไม่เพลิ น, นความเบื่อนั้นจะอ่อนแรงลงเพราอเราไม่เผลอเราไม่เพลินเรามีสติ ความคิดนั้นจะอ่อนแรงลงพอเราไม่เผลอเราไม่เพลินมีสติกำหนดดูอยู่เสียงภาพกลิ่นเรานั้นจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจนไม่มีเลยคือมันหมดกําลังแต่สิ่งที่จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นแก่กล้าขึ้นนั้นคือสติของเราเพราะอาศัยลมให้ใช่เข้าลมไม่ใช่ออกนี่ะ หายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติจดจ่อไว้เวลาเราตรึกตรึกคิดนึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นสิ่งนั้นก็จะมีกำลังมีพลังสติของเราก็มีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอาณาปานสติทำอยังเป็นธรรมชาติท่มฟังรักษาจิตของเราที่มีสติน้ืไว้ให้ดี มีความคิดนึกอะไรธรรมดามธรรมดาได้ยินเสียงก็มีหู น, หนี่นามันก็ธรรมดาแต่ไม่เปลิ่นไปรู้สัจธร่มรู้จอจอตั้งสติวไว้ให้ดีอ้าละ่ะตัมฟังหลังจากที่เราได้ตําจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่จะ ทำให้ศาสนานี้คำสอนนี้ตั้งอยู่ได้นานที่จะทำให้ปัญญาของเรานั้นมีความลึกซึ้งมีความกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นในช่วงของใต้ร่มโพธิบด ท, ที่กระพเจ้าจะให้มีการนั่งสมาธิกันสั้นๆ ส, สักครู่หนึ่งเพื่อให้จิตนั้นเป็นสมาธิเป็นอารมเดียว เวลาฟังธรรมแล้วมันจะเข้าใจดีกาจะนำหัวข้อวันนี้คือเรื่องของปฏิจสฏจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นนี่พูดสั้นๆแต่จะพูดยาวๆท่านก็จะอธิบายไว้อยู่สักหนึ่งบารากราฟขึ้หนึ่งย่อหน้าก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อนี้เรามา เข้าใจก่อนฟังว่าทำไมเราต้องทำความเข้าใจหัวข้อ น, นี้เพราะว่านี้เป็นหนึ่งในสามเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอูบาโสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีที่ถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยต้องฉลาดเนีวเรื่องนี้ถ้าแบบคุณบอกว่าเออฉันนับถือพุทธฉันไปวัดฉันให้ทารกษาศีลแม้แต่ถ้าพูดสามเรื่องนี้แล้วไม่เก็ต มันมันไม่ได้เรื่องป่ะแล้วเรื่องแรกคือความฉลาดในความเป็นธาตุเรื่องที่สองฉลาดในอายตนะและเรื่องที่สามฉลาดในปฏิจจสมุปบาทซึ่งกับพระเจ้านี้ก็ได้แยกแยะเรื่องเหล่านี้เป็นซีรีส์เป็นตอนเป็นตอนให้ดโมฟังฟังในช่วงที่ผ่านมาแล้วเรื่องของธาตุนึงก็พูดไว้ตอนหนึ่งหรือสองตอน โดยแยกเป็นเรื่องของขันห้าเรื่องของอายตนานี่ก็ตั้งอ่านพระสูตรให้ฟังสารยตนวิพังกสูตรตั้ง 3-4 สนัยยะยังมีการอธิบายเรื่องอินทรีย์ประกอบกันกันกบตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจด้วยนี่แยกแยะแจกแจงหัวข้อเหล่านี้ให้แล้วซึ่งซีรีส์ต่างๆเหล่านั้นก็จบในตัวนั้นท่าฟัง แต่ต้องการฟังก็ไปหาฟังซ้ำย้ำได้ที่เว็บไซต์ปัญญา org ส่วนในเอพิส o ดนี้จะพูดถึงหัวข้อต่อไปนั่นคือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอ่านว่าปฏิจจสมุปบาทมอมากกับปอปาเนี่ยก็กล้ามกันไม่ใช่ปฏิจจสมุปปะบาทน่าอ่านว่าปฏิจจสมุปบาทหมายถึงอะไร คำนี้ก่อนฟังดูแนละ้วมันแหม่สับมันยากเรื่อมันมีตอประตักแล้วก็จอจานสองตัวเอลปปอปามันตัวเดียวหรือสองตัวกันแน่แล้วก็เป็นคํายาวด้วยอะไรยังไงอย่าพึ่งเหวอ๋อทำใจให้สบายเรานั่งสมาธิกันมาแล้วปฏิจจสมุปบาทคืออะไรคือความที่มันเป็นสิ่งที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นคือเหตุผลธรรมดานี่ยแหละนะ เป็นเหตุเป็นผลถ้าคุณต้องการผลกุณก็สร้างเหตุถ้าคุณไม่สร้างเหตุผลมันก็ไม่เกิดง่ายๆแค่นี้หรือบางทีไม่ต้องพูดภาษาบ้านเานะผููภาษาคนทั่วไปฮ่องคือหลักการความเป็นเหตุเป็นผลอ่าไม่เหมือนกันกับเรื่องของธาตุไม่เหมือนกันกับเรื่องของอิทธิะนี่คือแยกแยะในลักษณะพิจนารณานด้วยความเป็นธาตุว่าองค์ประกอบก็มันมีอะไหล่อะไรมีธาตุอะไรส่วนเรื่องของอิทติะนี่คือ ทางที่เราจะไปรับรู้มันได้ทีนี้ไอ้ตัวที่เรารับรู้มันนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้คือมันก็มีเหตุมีผลมีการเกิดมีการดับของมันด้วยจึงเป็นสามเรื่องที่ยังไงคุณก็ต้องเข้าใจไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเหรอนะถ้าคุณไม่เข้าใจในความที่เป็นท่าก็ต้องอาัตนะที่รับรู้มันหรือไม่ก็ความที่มันเกิดขึ้นหรือดับไปมีเหตุผลยังไงสามอย่างนี้ยังไงก็ต้องสา ถึงจะเรียกว่าเป็นคนพูดได้จริงๆนะจะให้การรักษาศีลมันก็ต้องให้ถึงความเข้าใจเป็นการภาวนาอย่างนี้ให้ได้ที น, นี้เราไปทำความเข้าใจต่อไ้เจ้าปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลนี่ทําไมต้องศึกษาทําไมต้องทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งให้เป็นผู้ที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดฉลาดนี่หมายถึงไงนะทุกฝั่งนะ คือไม่ใช่ว่าจำได้ท้องได้นี่ยังไม่เรียกฉลาดนะจำได้ต้องได้มันแค่สุดตามยปัญญาแต่จะฉลาดไม่ต้องทําให้เกิดภาวนามยาปัญญาต้องไปถึงระดับนั้นปัญญามีสารมระดับจําได้ไหมสุดตามยาปัญญาจินตมยปัญญ า, า, ญญาและภาวนามยาปัญญาในการฟังเอพิโซดนี้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทท่านผู้ฟังจะเกิดได้สองปัญญา คือฟังจากที่ข้าพเจ้าฟังต่อมาจากที่พระบรุทรเจ้าสอนอีกทีหนึ่งนี่ือเป็นสุดตามยาปัญญาฟังที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคิดตามที่ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นภาวนามยาปัญญาแล้วฟังที่ข้าพเจ้าได้เจอประสบการณ์ต่างๆด้วยตัวเองเล่าให้ฟังเปรียบเทียบทำใ้ฟังก็คิดตามนั้นก็เป็นจินตามยาปัญญานี้ตัวเราเองนี เราไปคิดใคร่ครวนตามเป็นจินตามีายะปัญญาแล้วเราเอาไปใช้งานจริงๆให้เกิดความเข้าใจในชีวิตประจำวันของเราเวลาเรากินข้าวเวลาเราอาบน้ำเวลาเราเดินทางเวลาเราเจอผู้คนทำงานต่างๆนั่นนี่เอ้ยมันมีเกี่ยวกับเกิดขึ้นดับไปเหตุผลเป็นปฏิจจสมุปาทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ให้เห็นด้วยตัวเองนี่จะเป็นภาวนามยปัญญ า, าจะเรียกว่าเป็นผู้ฉลาด ในปฏิจจสมุบาทได้เราด้วความสามารถนี้นะทุกวังนะมันทำให้เราสอนคนอื่นได้นะเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นและแก่ทั้งสองฝ่ายคือการศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยมันรักษาตัวเองด้วยจุดหนึ่งที่ทาให้เรามีปัญญาไม่ได้ยึดถืออะไรมากมันไม่ทุกข์มากรักษาผู้อื่นด้วยเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้รับความเบียดเบียนจากเราจะได้รับการรักษาจากเรา เราก็เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยความที่ว่าถ้าเขารู้เรื่องเข้าใจอันนี้แล้วเขาก็ยังสามารถที่จะทําปัญญาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นรักษาตันให้พ้นทุกข์อย่างดีขึ้นได้อีกด้วยประโยชน์เกิดจากการที่เราศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทด้วยประโยชน์ข้อนี้เราจึงจะต้องเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทให้ได้เป้าหมายของการประจาศคุณฝังนี่คือภารกิจ หลังจากที่ธรามฟังได้ฟังซีรี่ปฏิจจสมุมบาทในช่วงองใต้ร่มพุิธบดแล้วภารกิจของธรรมบังก็คือว่าให้เป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุมบาทให้ได้ภายในสมตอนฟังสมตอนหรือแม้แต่สตอนก็ได้นะยังไม่แน่ใจเกีย่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุมบาทนี้แล้วภารกิจของเรานั้นคือสามารถมั่นใจ เข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทถามก็ตอบได้สามารถนำไอแดแอปพลายใช้ในชีวิตประจำวันรู้ว่าอะไรคืออะไรทำงานยังไงจะใช้ยังไงนี่คือภารกิจของเราเรามาเริ่มกันเลยดูฝังเอาสัพ์คำนี้ก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทนี่มันเขียนได้หลายคำ ในประตรายปด ก, ก็มีปฏิจจสมุปปนธรรมบ้างปฏิจจสมุปบาทบ้างเหล่านี้มีความหมายเดียวกันว่าธรรมะที่อาศัยกันและกันแ ล, นแล้วจึงเกิดขึ้นนี่คือเวลาเราจะศึกษาเรียนรู้เรื่องอไรนะทุกฝั่งนะเราต้องเข้าใจเทอมก่อนคือคำที่เขาจะต้องมาอ้างอิงถึงพูดด้วยกันได้นะอย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนฟิสิกส์อย่างนี้ มองคุณก็จะต้องรู้เรื่องเซลเซียสเคลวินรู้เรื่องอุณหภูมิรู้เรื่องความดันแล้วมันถึงจะทําความเข้าใจกันได้ตรงกันนะคุณจะเรียนคณิตศาสตร์คุณก็ต้องรู้เรื่องตรีโกณรู้เรื่องการบวกการลบแล้วมันถึงจะคุยกันได้นะเช่นเดียวกันเนะ่ยคุณจะคุยเรื่องปฏิจจสมุบาต้องเข้าใจเทอมกันคือบทพยัญชนะคือบทบัญญัติของธรรมะข้อนี้ในคําแรกคือคําว่า ปฏิจะสมุปบาทหมายถึงธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นราเรียกเเป็นยังไงท่านอธิบายยาวๆไว้ด้วยคำอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าอิทัพปัจจยตาคือความที่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีความที่เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะความดับไปเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปคือมีทั้งการเกิดมีทั้งการดับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันเช่นเราบอกว่ามี x จึงมี y ถ้า x ดับไป y ก็ดับไปง่ายไหมไม่ยากเขียนเป็นสมการก็ไ ด, ด้หรือพูดเป็นคำพูดที่เราเข้าใจง่ายๆเอาไปทำมีเหตุมันก็มีผลใช่มล่ะถ้าเหตุเกิดผลก็เกิดไง ถ้าเหตุดับผลก็ดับถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลหละถ้าเหตุดับผลก็ต้องดับอยากไหมไม่ยากเข้าใจง่ายๆเห็นลักษณะความที่มันมีเกิดไม่มีดับนี่นี่เป็นลักษณะคุณสมบัติคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติของเจ้าปฏิจจสมุปบาทนี้ธรรมะที่อาศัยการละกันแล้วจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติของความเป็นอิทัปปัจญิตาอย่างไงนะ ก็ถ้ามีมันก็มีไงถ้ามีเหตุผลก็มีถ้าเหตุเกิดผลก็เกิดใช่ไหมละ่ะแล้วก็ถ้าไม่มีเหตุผลมันก็ไม่มีใช่ไหมละ่ะถ้าเหตุดับผลก็ดับไงลักษณะอีเกิดดับมีไม่มีเนี่ยเรียกว่าเป็นอิทัิปัจีตาเอามาขยายความเป็นคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทคือทำ ไ, ไมมันจะเรียกชื่อยาวนะทุกฝั ง, งคือเอาสั้นๆปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันเกิด แล้วมันดับไหมก็ดับด้วยแต่ยังไงนะอิสระปจิยตารละเอียดเป็นยังไงนะมีเกิดไม่มีดับมีเหตุก็มีผลเกิดไม่มีเหตุก็ไม่มีผลผลดับนี่เป็นง่ายๆอย่างนี้เออหลักการนี้แล้วยังไงอ่ะมันอะไรล่ะคือเวลาที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติธรรมะเรื่องอะไรเนี่ยต้องรังนะเท่านก็จะเปิดจากกว้างๆ ก, งก่อน แล้วก็เจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปนี่ลักษณะการอธิบายแบบนี้เรียกว่าเป็นการแยกแยะแจกแจงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยให้ลึกซึ้งลงไปลึกซึ้งลงไปเราเริ่มจากหัวข้อนะคือปฏิจจสมุปาใช่ไหมคุณสมบัติของไอ้เจ้าสิ่งนี้คือความที่มันเป็นอิทธิปัจเจตตาคืออาศัยปัจจัยมีเหตุถ้าไม่มีเหตุไม่อาศัยปัจจัยมันก็ดาบ ในความที่มันเกิดมันดับได้เหตุผลเนี่ยทุกอย่างไงท่านผูฟังสมมติว่าถ้าคุณต้องการเงินทองในชีวิตปัจจุบันเราควรต้องมีเงินมีทองหาเงินตอนก็คือต้องไปทํางานการทํางานเป็นเหตุให้เกิดผลคือได้เงินถ้าไม่มีการทํางานเงินมันก็ไม่เกิดทีนี้เหตุผลตรงเนี้ยเวลาท่านจะบัญญัติอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะอาการลิโกหมายถึง เป็นไปได้ตลอดการไม่ขึ้นกับการเวลาบางคนไม่ต้องทํางานก็มีเงิน่ะเอาทำไมก็มีได้ ก, ก, ก็ให้เงินทํางานแทนไงไม่ต้องทํางานเพื่อเงินแต่ให้เงินทํางานแทน่ะเอาคุณไปซื้อสังหาหริมรบ้านซับอย่างนี้เป็นต้นเราก็ปล่อยเช่าแล้วปล่อยเช่าก็คือเอาเงินที่เราไปซื้อนั่นแหละได้สินทรัพย์มาแล้วได้ค่าเช่าค่าเช่าก็จ่ายจ่ายมารับมาเรารับมาเอานี่ยไปเห็นต้องทํางานแล้วก็ได้เงิน ก็นี่ไงมันไม่เป็นอาการลิโกในความที่ว่าถ้าจะบัญญัติอะไรขึ้นมาจะนิยามอะไรขึ้นมาสมัยนู้นยังไงสมัยนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องมีความรักกลุ่มรอบกอในความที่ว่าเหตุผลเหตุผลซึ่งเหตุผลที่มันเกิดหรือมันดับมันจะอาศัยกันอยู่แล้วมีและเป็นได้ตอนนู้นเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านบัญญัติท่านจึงเฉพาะเจาจะจงเอาไว้ ทั้งหมด22คู่ด้วยกันก่อนที่จะไปตรงนั้นทูมฟังไอลักษณะคู่เรามาลองคิดกันดูก่นว่าเออเช่นถ้าคุณต้องการเรียนให้มันจบสูงสูงคุณก็ต้องอ่านหนังสือใช่ปะละ่ะเฮ้บางคนเรียนจบสูงได้โดยไม่ต้องอ่านหนังสือก็มีนะเออพวกที่ได้ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักย์งี้ไงทํางานมาเต็มที่แล้วจนก็ให้ปริญญาเลยปริญญาเอกต้องหลายใบ เมียนได้เรียนนังสือเลยเขาก็ยังได้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุผลที่เป็นตลอดการเป็นบางเคสบางกรณีใช่ไ ล, ล่ะเราถามว่าการบัญญัติหรือจะนิยามหรือจะอธิบายเรื่องอะไรเนี่ท่านก็จะต้องให้มันเกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์ในการที่จะดับถูกได้เกิดประโยชน์ในการที่จะให้มีปัญญาให้รู้แจ้งได้พฉะนั้นท่านจึงต้องไตร่ตรองใครกวนว่า ไอ้สิ่งที่จะเป็นการอธิบายแล้วจะให้ได้เกิดประโยชน์ให้พระาศาสนาตั้งอยู่ได้นานจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องทุกข์โดยได้ทั้งมวลเป็นทางที่ให้สู่นิพพานเกิดปัญญาอันไพบูรณ์ปัญญาใหญ่หลวงได้มันจะต้องไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปไม่ใช่เรื่องเงินทองไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงไม่ใช่เรื่องอะไรภายนอกที่ทุกวันนี้มันก็มีเหตุผลแน่ละ ซึ่งเหตุผลมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามสถานการณ์นะเมื่อก่อนจะมีชื่อเสียงโอ้คุนต้องทำหลายอย่างเดี๋ยวนี้มีชื่อเสียงได้กับโซเชียลหรือสมัยนี้จะขายของดีไปยิงแอหญิงโฆษณาสมัยก่อนนี่ก็โฆษณาอีกแบบหนึ่งคนละแบบไม่เหมือนกันอีกเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นผลที่จะเกิดขึ้นจากการอาศัยเหตุที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เมื่อที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็หลายเหตุหลายปัจจัยจะได้ผลอันเดียวบางทีมันขึ้นอยู่กับหลายเหตุหลายปัจจัยเช่นว่าคนขยันแล้วแต่ว่าถ้าขยันแล้วดวงไม่ดีแทนที่จะมาสำเร็จมันก็ไม่สำเร็จอีกนะแล้วขยันแล้วมันต้องอาศัยดวงด้วยกูดูอย่างช่วงโควิดสิหนูชายเตรียมการทาธุรกิจอะไรต่างๆมาเอาเจอโควิดนี่น็อกเลย เพราะว่าแม่สถานการณ์ลมเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนี้เพราะเหตุผลมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมด้วยหลายเหตุไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวเนี่ยความซับซ้อนความรัดกลุ่มจึงต้องมีโดยท่านจึงให้คุณสมบัติเอาไว้ก่อนของสิ่งที่เป็นปฏิชาสมุูบาทในข้อแรกคือมีเ อ, อิดไม่มีดับ ถ้าสิ่งนี้มีคือเหตุผลก็มีถ้าสิ่งนี้คือเหตุเกิดผลก็เกิดถ้าสิ่งนี้ดับคือเหตุดับผลก็ดับถ้าสิ่งนี้ไม่มีคือเหตุไม่มีผลก็ไม่มีเหตุผลแบบนี้ใช่ไหมนี่คือคุณสมบัติข้อที่1ว่างกันไปแล้วต่อมาคุณสมบัติของที่สองวาเหตุผลที่เราพูดกันอยู่นี้นี่นะมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดการ เป็นอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลคือใครๆก็ต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นคนร่ำรวยจะเป็นคนยากจนจะเป็นเทวดาจะเป็นพระพรหมจะเป็นสัตว์นรกจะเป็นสัตว์เดรัชานก็ต้องอย่างเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาทันเรียกใใจกรราธรรมะนิยามาตาเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา เป็นความตั้งอยู่อย่างธรรมดาเป็นธรรมติตาให้กล่าวว่าเป็นความตั้งอยู่อย่างธรรมดาเป็นกฏต้ตัวเป็นนิยามอย่างเงี้ยหมายความว่าคือมันเป็นอย่างเนี้ยเราจะใช้คํามีคําหนึ่งอธิบายว่าเป็นตัทตาคือมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้คืออวิทธตาความที่ไม่เป็นไปโดยประการอื่นคืออนัญญาตา เระฉะนั้นนี้คือคำลหลายๆคำหลายด้านที่มาอธิบายคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทง่ายๆก็คือว่ามันเป็นเหตุเป็นผลทั้งการเกิดและการดับเหตุผลของการเกิดและการดับนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไปอย่างอื่นวิธีการที่พระพุทธเจ้าใช้คำให้มีความรัดกุมรอบคอบนั้นเพราะว่าเพื่อที่จะต้องการกระจัดทิฐิในสมัยนั้นที่ เขาจะมีที่ถีว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่นี้เท่านั้นได้อย่างอื่นไม่เป็นในความที่ว่าฝังดิ่งลงไปเนี่ยเหมือนจะต้องถูกกำจัดออกแต่นี่ความที่ว่าฝังดิ่งลงไปแล้วเราบัญญัติอย่างนี้พระทเาบัญญัติอย่างนี้มันไม่ได้เป็นการที่จะฝังดิ่งลงไปว่านี้หัวชนฝาเท่านั้นหรือนี่ถึงพูดตั้งแต่ข้อแรกแล้วว่ามันดับได้ไอ้ที่ว่ามันเกิดได้มีได้เนี่ยมันก็ดับได้ไง อิตาปจยตานี่จึงมาก่อนเพื่อนเลยนะทุกฝั่งนะเป็นกฎสําคัญเลยแล้วไอ้ที่มันเกิดได้ดับได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างงี้แหละคือเป็นตาตตาเหมือนจะไม่ผิดไปจากที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคือจะเป็นอวิทาตาแล้วก็จะไม่เป็นอย่างอื่นนะคือตัวมันเป็นอย่างนี้ไม่ผิดไม่จากอย่างนี้และอย่างอื่นนะไม่ใช่นะคือเป็นอนัญญตาตาความที่ว่าต้องเป็นอย่างงี้ แล้วไม่ผิดจากอย่างนี้แล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่ด้วยเนี่ยมันอะไรคือมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นอิทัิปัจจยตาเกิดได้ดับได้ดับได้เกิดได้ตามเงื่อนไขปัจจัยปัจจั ย, จจยเงื่อนไขามาอย่างไงมีแล้วเกิดแล้วผลมันก็เกิดปัจจัยเงื่อนไขดับไปอย่างไงผลมันก็ดับไปเหตุผลตรงนี้สำคัญที่สุดเลย ถ้วันนี้ท่านผู้ฟังไม่เข้าใจเรื่องอะไรนะอะไรในซาบอะไรเนี่ยตาตาต า, ต า, ต, าตาอะไรเนี่ยก็ต้องเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเหตุเป็นผลก็แค่นี้แหละทีนี้คนที่เขาไม่รัด ก, กุมไม่ชัดเจนไม่รอบครอบเนี่ก็จะเข้าใจไปว่าโอ้พระเจ้าเนี่ ย, ยบัญญัติรัฐที่อันหนึ่งที่ว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นสิซึ่งอันนี้เขาก็มีกันทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะหรือบัญญัติอีกรัฐที่หนึ่งมาโอ้ขาดศูนย์ทุกอย่างนี่คือทุกอย่างไม่มีนี่คืสุดโต่งสองข้าง สุดตรงข้างหนึ่งก็ว่ามีต้องมีเท่านั้นไม่มีไม่ได้อีกข้างหนึ่งก็บอกไม่ใช่ทุกอย่างขาดสูญเท่านั้นไอ้ที่มีมันไม่มีในแต่พระพุทธเจ้าบอกว่านี้คือทางสายกลางไงทางสายกลางคือเกิดได้ดับได้เป็นเหตุเป็นผลจะอธิบายไม่ให้เข้าหาสุดตรงเนี่ยจึงต้องใช้คำเหล่านี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลที่เราใช้คําเดียวสั้นๆ นี่ท่านมีความรักกลุ่มรบอบครอบอธิบายบัญญัติไว้อย่างนี้หลักการอันนี้ก่อนคือปฏิจจสมุปาราอานิยต์ท่านก็จอบลงต่อไปทุกังว่าที่เป็นเหตุเป็นผลเกิดแล้วดับด้วยเป็นดิจิปจยตานั้นสิ่งนี้นั้นเป็นอย่างนี้อย่างอื่นไม่ใช่ไม่ปิดไปจากอย่างนี้แล้วสิ่งนี้เป็นธรรมนิยาม เป็นธรรมดาอย่างนี้ของมาเนี่ยมันอะไรเวลาคนเราจะคิดเรื่องอะไรในฝั่งมันต้องมีปัญหามันต้องมีจุดให้ขบคิดซะก่อนนะเวลาท่านจะคิดค้นไตร่ตรองจนได้ความรู้และบัญญัดขึ้นว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าท่านแบบว่าอยู่ก็ฮาเลลูยาปิ้งขึ้นมาเลยว่านี่เป็นปฏิจจสมุปบาทนะไม่ใช่หรอกไม่ใช่มันเกิดจากปัญหาตรงที่มีที่เกิดนั้นแหะอยู่ก่อนแล้ว ปัญหาที่มีก็คือ ค, อความทุกข์นั่นแหละทาไมคนเร า, าถึงนีทุกข์ได้นะนี่คิดตรงนี้ก่อนยังไม่ได้ว่าจะแบบปิ๊งปั้งแล้วก็บัญญตษษษัติปัญตีสะสมบุบาคืออะไรไม่ใช่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนว่าทุกข์มันมาได้ไงนทุกข์มันมาได้ไงจะแก้ปัญหาเรื่องทุกข์นี่สําคัญต่างหากคนเราในมันทุกข์สูงสุดทุกข์มากที่สุดเนี่ยมันก็คือตายนะเวลาเราอยากกินอะไรเราอยากมากอยากมากนี่ว่าเราบอกอยากจะตาย อยากจะไปที่ไหนอู้อยากไปมากอยากไปมากอยากไปจะตายถ้าไม่ได้ไปเราจะขอตายมงคลอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องราวมีในนิทานชาดุนิทานธรรมบทหญิงสาวอยากแต่งงานกับชายคนนี้พ่อแม่ไม่ให้อาจะขอตายอดข้าวนะอดข้าวจะตายละโอ้โหนี่ทุกข์มากเลยสุดท้ายพ่อแม่ก็ยอมหรือมันก็ตายจริงๆความตายเนี่ยมันจะเป็นที่สุดของทุก คนเขาจะมักเข้าใจกันในสมัยนี้แล้วก็สมัยนน้นด้วยตายเนี่ยโอ้โหมันคือแบบจบแล้วไปถึงทําไมคนคิดว่าฉันจะต้องฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเพื่อพ้นจากความทุกข์เออแต่ว่าถ้าฆ่าตัวตายดยวก่อนนะคือมันก็ตายถูกปะ่ะคือตอนยังไม่ตายเนี่ยคือยังไม่ตายไงใช่ไหมแต่ว่าอยากจะตายใช่ไหมละคิดว่าตายแล้วมันจะพ้นทุกข์เออแต่ว่าพอหลักการตรงเนี้ยเหตุผลตรงนี้ไง เฮ้ยเราไม่อยากตายเราอยากพ้นจากทุกข์คือความตายแล้วทำไมเราตึงไปตายมันจึงไม่ค่อยมีเหตุผลเนี่ยทางฝั่งนึกออปะ่ะเราเป็นชาติตงเป็นโพธิสัตว์เนี่ยจึงใกล้กรุรนกว่าแล้วคือท่านคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก่อนที่จะมีคําว่าปฏิจจสมุปบาทนนะท่านคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทก่อนการตรัสรูน้นะเพราะว่าคิดเรื่องนี้เราจึงได้ตรัสรู้นี่ไง แล้วก็จึงได้บัญญัติไอ้หัวข้อตรงนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมาภายหลังแต่คิดตรงนี้ก่อนเนี่ยนี่คือคีย์ดวุดเลยนะแต่นรมาฟังอย่างที่สองที่จะเรียนรู้ได้จากวันนี้และจำอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลแล้วอย่างที่สองนี่ก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราบอกว่าความตายนี่มันทุกข์มากที่สุดแล้วเนี่ยแล้วก็เลยคิดว่าตายแล้วมันจะบนทุกข์เงี้ยสอย่างาได้สิ่งนี้ล่ะถ้าฉันไม่ได้ฉันจะตายแล้วถ้าคุณไปตายจริงๆริะ มันก็ไม่ได้ถูกป่ะละ่ะเออมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะได้สิ่งนั้นด้วยความตายคือเอาตายแรกมามันก็ไม่ได้ปะ่ะเออมันก็ไม่เออมเห็นจะพ้นทุกข์เลยนี่นะและ้วที่บอกเราทุกข์มากทุกข์มากที่สุดมันคือตายแล้วเหตุของความตายมันคืออะไรอะ่ะเราไปดับที่เหตุของความตายถึงจะถูกปะ่ะไม่ใช่ว่าทําให้ความตายมันเกิดเนี่ยตั้งคิดอย่างนี้ถูกป่ะละ่ะถ้าท่านผูฟังยังใกล้ควรตามไม่ตันคิดอีกทีนึ่งนะ เราให้มันซิงก์อินลงไปให้มันตกผลึกให้มันคริสตัลเคลียดู้นะถ้าเรามีทุกข์อยู่เราก็เลยว่าโอ๊ยฉันไม่อยากอยู่ฉันอยากจะตายแล้วความตายมันทำให้ผลถูกได้ไงเพราะว่าจริงๆแล้วความตายมันความตายมันเกิดนะ่ะตอนที่เราคิดอยู่นี่เราย่งไม่ตายถูกป่ะล่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะตายเพยยื่อจะหนีปัญหานี้เฮ้แต่ว่าปัญหานี้มันจริงๆที่ว่าสมมุติคนยากจนมากทุกข์ใจมากเนี่ย คือคุณอยากได้ความไม่ทุกข์ไม่ถูกเหรออยากได้ความสุขนะพือท่านนีกว่าจะไปหาความตายความตายนี่มันไม่ใช่ความสุขนะมันเป็นความทุกข์นี่นาะแล้วกุจะไปหาความตายเพื่ออะไรเพราะว่ามันไม่ได้จะแก้ปัญหาแล้วมันไม่ได้ให้สุขได้ด้วยนี่เฮ้ยงั้นเราต้องแก้ที่เหตุดับที่เหตุดีกว่าแทนที่จะให้เกิดความตายซึ่ซงมันเป็นทุกข์เอาเงั้นจะดับที่เหตุ ข, ของความตายทำยงไงไม่ใชต้องมาคิดเรื่องว่าฉันจะต้องอยากตายแต่ว่าให้มันได้สุขเนะ่ยงั้นดับที่เจ้าตัวตายนีดด่ดีกว่าทานคิดอย่างนี้ อะไรอะไรอะไรมีความตายจึงมีเพราะอะไรเกิดความตายจึงเกิดคิดนะทุกบรษเจ้านี่ตอนเป็นบริษัทคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดอยู่เรื่องเดียนั่นะเพราะอะไรมีความตายจึงมีเพราะอะไรเกิดความตายจึงเกิดคิดไตรตรองด้วยปัญญาแยบกายด้วยปัญญาณยิ่งภาษาสมบายเ เราไปเอาดึงเอาเหตุที่มันแบบทั่วๆไปแล้วก็ไม่เป็นอากาลิโกเช่นก็พระราชาฆ่าตายโดนอุบัติเหตุตายเป็นโรคตายถูกแกล้งตายเดินหกล้มตายนี่แล้วถ้าสมัยนั้นไม่มีรถแล้วสมัยนี้มีรถก็ดเงินก็ต้องบัญญัติเพิ่มมาเงินก็ถูกรถชนตายตกเครื่องบินตายอย่างนี้ยมันไม่จบไง มันไม่เป็นอาการลิโคถ้าใช้เหตุต่างๆเหล่านั้นมันหลายเหตุหลายผลใช่ั้ยท่านจึงไตรตรองก็ไตร่ตรวนด้วยปัญญานะนิกิตนะให้ไ่เอาเหตุที่มันดีที่สุดเลยของเรื่องที่ว่าถ้าจะตายได้เนี่ยมันก็อาศัยคือความเกิดไงเพราะมีความเกิดจึงมีความตายความตายที่บอกว่ามันทุกข์มากทุกข์มากเนี่ยทุกข์ไม่ได้ทุกจนจะตายนี่คือขัน ร่างกายคนนี้มันแตกสลายหายไป ต, ตั้งแต่นั้นจึงมันหยดัดไม่ไหวที่ว่าตายตายเนี่ยนะคือความหมดรอบแห่งอินทรียในอินทรีย์ในที่มีหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจในอินซีเนี่ยมันมันหมดรอบไปมันไม่สามารถอยู่กันให้เกิดความเป็นชีวิตได้ในอินทรีย์ขาดไปหมายถึงชีวิตขาดไปแล้วของสัตว์ประเพณีนั้นในที่นี้ท่านก็รวมเอาความแก่ด้วย คือภายหลังต่อมาเนี่ก็ให้มีความรักกลมในเรื่องบทบัญญัติจึงจัดเรื่องความแก่และความตายไว้ด้วยกันความแก่ก็หมายถึงความกล้าความมีฟันหลุดความมีหนังเหี่ยวความมีผมงอความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุจนกระทั่งตายไปความแก่และความตายเนี่เป็นพวกเดียวกันเพราะอะไรมีความแก่และความตายจึงมีเพราะอะไรเกิดความแก่และความตายจึงเกิด แต่คิดคิดคิดคิดคิดได้คําตอบ ว, ว่าเพราะนั่นคือมีการเกิดคือชาติมีชาติปรากฏขึ้นความแก่และความตายจึงอุบัติขึ้นที่เราตายเนี่ยไม่ใช่ว่าตายระดับนะตายกระดับมันไม่เหมือนกันนะบุฟังคนที่ว่าจะตายจะตายเนี่ยความตายยังไม่อุบัติขึ้นนะแต่พอตายปุ๊บปุบนั่นนะ่ะนั่นๆนะนะัความตายเนี่ยอุบัติขึ้นแล้ว ถ้าจึงจัดเรื่องแก่และตายไว้ด้วยกันแก่แล้วมันจะเข้าสู่ความตายแล้วเนี่ยคือพวกเดียวกันว่าความแก่และความตายอุบัติขึ้นแล้วเพราะอาศัยอะไรนะอาศัยการเกิดเพราะมีการเกิดเป็นปัจจัยจึงมีความแก่และความตายท่านว่าอย่างนี้เร า, าชอบความเกิดนี่มันคืออะไรเออความเกิดก็คือการที่ได้อินทรีย์ได้ขันมีร่างกายนี้มีการเข้าลงสู่คันมีการที่จะได้อายตนะต่างๆ เพราะพูดถึงการได้อเยตนาต่างๆนี่แม้แต่ว่าเวลาที่เราเห็นภาพเราได้ยินเสียงนี่ ก, ม ก, ก็มีการเกิดปรากฏอยู่ละมีการเกิดแห่งการรับรู้ทางหูอาศัยเสียงที่มากระทบหูก็เรียกว่าเป็นโสตวิญญาณมีการเกิดแห่งความคิดนึกทางใจก็เพราะมีตรมารมมากระทบใจจึงมีมโนวิญญาณอย่างนี้เกิดขึ้นไอการเกิดขึ้นของการรับรู้ต่างๆนั่นคือชาติได้เหมือนกัน เอาทีมีการเกิดแบบนี้ทั้งหน่วยเล็กๆคือส่วนของเรื่องทางจิตใจเรื่องของทางการเห็นการได้ยินต่างๆยังรวมถึงงดร่างกายหน่วยใหญ่ๆที่พเราเกิดมาในชาตินี้ด้วยทั้ง resolution คือหน่วยสเกลที่มันเล็กหรือหน่วยสเกลที่มันใหญ่ resolution ใหญ่ก็ได้หมดเพราะฉะนั้นความแก่ความตายก็ได้เหมือนกันในความที่มันจะเล็กหรือมันจะใหญ่คือดับไปหายไปตายในที่นี้จึงหมายถึงการสิ้นไปด้วย ความซึ่งไปเกิดปรากฏความดับไปเกิดปรากฏนั่นคือความตายพระอาศัยอะไรชาติคือการเกิดมีความเกิดแล้วจึงมีความแก่และความตายนี่แหละตัมบุฟังคือปาติจัสมุบาทิอาศัยเหตุอาศัยผลอย่างนี้เกิดอย่างเดียวนะดับก็ด้วยนะดับก็ด้วยเอาถ้าถ้าจะให้ทุกข์มันดับนี่อะไรมันต้องดับล่ะมันต้องดูทั้งสองขา เพราะมันเป็นอิทธปาติยตาไงมันเป็นความที่อาศัยกันเกิดและอาศัยกันดับถ้าสมมุติว่าสิ่งนี้ไม่เกิดยกตัวอย่างกลับไปถึงเรื่องเช่นว่าถ้าโดนอุบัติเหตุแล้วก็ตายยังไงละ่ะบางคนอุบัติเหตุไม่เกิดแต่ก็ตายอยู่ดีเช่นตายจากโรคไตก็เจ็บโอ้ยั้นก็ยังไม่ใช่แสดงว่าไอ้เจ้าอุบัติเหตุเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอิทธปาติยตาของความตายดูกไหมหรือบางคนบอกเป็นมะเร็งแล้วถึงตาย อ๋อคนที่เขาตายโดยที่เขาไม่เป็นมะเร็งก็มีเกรนตันจึงต้องเอาเรื่องความเกิดไล้ความเกิดเนี่ยมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยหลักการของอิทธิพัทธตานี่ไหมว่ามันดับแล้วมันดับไหมพระอะไรดับเราก็ต้องคิดด้วยก็คิดตามที่พระพุทรชาติท่านคิดมานั่นแหละท่านก็คิดว่าเอ๊ะพระอะไรดับหน้าความแก่ความตายจึงจะดับไปเพระอะไรไม่มีหน้าความแก่และความตายจึงจะไม่มีจึงจะมากู้กันได้กู้กันกับการเกิดกู้กันกับการดับ มืนถึงจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยกันมากไม่เป็นไปอย่างอื่นนะนอกจากอย่างนี้แล้วก็ไม่อย่างอื่นจะมาใช่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะจะเอาเรื่องอุบัติเหตุจะเอาเรื่องโรคภัยแค่เจ็บ ใ, ให้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่สิ่งนั้นต้องเป็นความเกิดเท่านั้นถ้าความเกิดดับไปแล้วความตายมันจะดับไปป่ะเออว่าใช่ไ อ, อ้ถ้ามันไม่มีเกิดแล้วมันจะมีตายได้ไงเออจริงแฮมีเหตุผลนะ น, นี่นะเออนี่แหละระวั ง, งคือ ปฏิจจสมุบาทแล้วเวลาท่านอธิบายนะก็อธิบายเนี่ยแหละ2อย่างนี้เท่านั้นเองทีละคู่ทีละคู่ที่ว่าทีละคู่ละคู่เนี่ยคือมันมีนยะของมันในยะที่1ก็คือคู่นี้ความแก่ความตายคู่กับความเกิดในยะที่2ก็มีอีกในยะที่3ก็มีอีกในยะที่4ี่ก็มีในยะที่5้าที่6ที่เที่แปดที่เที่สิที่สิถึงยี ก็มีอีกมีหลายนัยยะเป็นแต่ละกู่แล้วกู่ซึ่งเอิญไอ้ที่ว่ามันมีหลายนัยยะแต่ละกู่แล้วกู่เนี่ยมันก็มีการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอีกสับเซอรเป็นตัวอย่างให้ดูว่านะก็คือเจ้าตัวเกิดนี่แหละเจ้าตัวเกิดนี้มันจะยังไงละ่ะมีมาได้ไงเออทำยังไงมันถึงมีการเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรมี ความเกิดจึงมีคือตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นโพนิสัตคิดไกรกรวนเนี่ยก็คือดูตามเนื้อผ้าของเขาธรรมดาไม่ได้ว่าจะชอบใจหรือไม่ชอบใจเจ้าความแก่ความตายหรือความเกิดดูตามเหตุผลดูตามเนื้อผ้าเพราะว่าถ้าเรามีความชอบใจหรือไม่ชอบใจปุ๊บเนี่ยเราจะมีอากติหรือมีความลำเอียงเกิดขึ้นได้เพราะมีอากาติมีความลำเอียงเกิดขึ้นแล้วมันก็จะ เห็นอะไรไม่ชัดเจนเห็นไปตามความพอใจไม่พอใจก็ต้องจิตใจเป็นกลางๆโดยปัญญาดูต่อไปว่าเออเจ้าความเกิดมันมีคู่มีเหตุมีเงื่อนไขปัจจัยของมันหรือไม่แล้วก็ท่านก็ต้องคิดต่อไปนะแล้วไอ้เจ้าความแก่ความตายมันมีเงื่อนไขปัจจัยเหตุเกิดของมันหรือไม่ พระบทานสองอันเ น, นี่ยมันอาศัยเหตุปัจจัยเงื่อนไขกันแล้วจึงมีอยู่ตั้งอยู่ได้ดับไปได้ใช่ความเกิดและความตายเนี่ยเอาละเจ้าความเกิดมันมีเงื่อนไขปัจจัยอื่นอีกไหมแล้วความตายมีเงื่อนไขปัจจัยอื่นอีกไหมก็ปรากฏว่าก็คิดไงก็คิดไงคิดแล้วก็ปรากฏว่าได้เห็นว่าอ๋อเพราะมีพบคือความเป็นสภาวะนั่นเอง จึงมีการเกิดมีสภาวะมีพบขึ้นมาจึงมีการเกิดถ้าไม่มีพบไม่มีสภาวะเอ๊ะแล้วความเกิดจะมีได้วหมเออไม่ได้ไม่ได้เพราะมันจะไปก้าวลงอะไรไงมันไม่มีที่ให้ก้าวลงใช่ปะล่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอาก็มีพ่อแม่ไงมีพ่อแม่มีการตั้งครรภ์จึงมีการเกิดขึ้นมาได้อแล้วการเกิดที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะอย่างเช่นพวกสัรกายเปรตอย่างนี้ เทวดาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องมีคันไม่ได้ต้องมีพ่อไม่ได้ต้องมีแม่ไงเขาก็ผุดเกิดขึ้นมาเลยเขาก็เรียกว่าเป็นโอปาติกะคือสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นได้ทั้งที่อยู่ในสุคติคือสวรรค์กรรมแล้วก็ทั้งที่อยู่ในทุกติคือพวกอสุรกายเปรตสัตว์นรกพวกนี้เป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้น เอ๋ที่มันจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะอาศัยคันอาศัยไขย่อาศัยของโศกโรคเป็นผุดเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันต้องมีสภาวะคือความเป็นภพบแบบนั้นๆของเขาภพนี่ก็จึงแบ่งตามลักษณะของปัจฉะที่จะมีคือจึงแบ่งเป็นกามภพรูปภพแล้วก็อรูปภพส่วนที่เป็นมนุษย์สัตว์นรกเทวดาพวกนี้หรือว่ากามาภพ ส่วนที่เป็นพรมชั้นรูปบพรมหรืออรู ป, ประพรมก็เรียกว่าเป็นรู ป, ประพบหรืออรู ป, ประพบมีทั้งแบบที่เป็นกายยาแบบที่เป็นกายละเอียดเพราะมีพบจึงมีการเกิดถ้าพบดาบการเกิดก็ดับนึ่็จะเป็นอีกคู่หนึ่งแล้วมันไม่เป็นไปอย่างอื่นนอกจากอย่างนี้นะที่้าบอกว่าอย่างอื่นแล้วมันจะมาเป็นปฏิจจสมุปาทนี่มันไม่ใช่นะ อะไรก็ตามนะยกเป็นไอ้ที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นคือคู่ของความตายและความเกิดอะไรมันคือเป็นใช่ไหมเป็นอิตาปัจจยตาเป็นปริยสมุบาทอันนี้ก็เป็นด้วยเหมือนกันเพราะมีพบจึงมีการเกิดเพราะภพดับการเกิดจึงดับนี่ท่านก็คิดต่อไปเรื่อยๆคิดไปทีละคู่คิดไปทีละคู่พอคิดไปทีละคู่แล้วมันมีจุดเชื่อมโยงกันนี่มันก็จึงดูเป็นสายไงผู้ฟัง ปฏิจจสมุบาทนี่ก็จึงมีท่านผููที่อธิบายไว้ว่าอทนนี่เป็นสายนะสายเกิดหนะ้าสายดับแต่จริงๆไม่ต้องเป็นสายก็ได้แค่คู่เดียวมันก็เป็นปฏิจจสมุบาทแล้วถ้าจะมองว่าเป็นสายก็มองได้แต่จริงแล้วมันเป็นคู่มาต่อต่อกันหยิบคู่ไหนมาก็เป็นปฏิจจสมุปบาทหยิบคู่ไหนมาก็เป็นอิตตปเสตตาประเด็นมันสำคัญตรงนี้ต่างหากเราอย่าเพิ่งเอาไปไกลลืม ว, วาง อย่เอาไปหลายคู่เขาคู่เดียวที่เรากําลังพูดถึงอยู่วันนี้เอาหลักการให้มั่นใจให้มั่นคงกันก่อนที่ว่าเพราะการเกิดมีจึงมีความแก่และความตายเพราะอะไรดับความแก่และความตายจึงดับก็บอกว่าเพราะการเกิดต้องดับไอ้คู่แบบนี้เท่านั้นแหละที่ว่าสําคัญเวลาเราจะวิเคราะห์นะเราสําคัญเพราะว่าสิ่งที่มีการเกิดขึ้นมีการปรากฏอยู่ ขณะนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเนี่ยจนถึงรวดนี้เป็นระบบของสมมุติคือเป็นสังฆตาธรรมมีการเกิดปรากฏถูกไหมสมมติความตายมันเกิดปรากฏได้เพราะอาศัยการเกิดการเกิดก็อบัติขึ้นได้เพราะอาศัยพบอย่างนี้เป็นตน้นมีการเกิดปรากฏในขณะที่มันปรากฏขึ้นแล้วเวลามันตั้งหยุ่นเปลี่ยนแปลงไหมอุ๊ยแน่นอนเลยตายนี่หลายรูปแบบเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขปัจจัยแล้วก็ถ้าเฮียมันดับไปมันก็ดับไปด้วยนะ เพราะมีความดับปรากฏเป็นลักษณะของสังกตรธรรมโอเคไหมในความที่มันเป็นสังกตรธรรมมีการปรุงแต่งนี่มันก็จึงต้องมีบทบัญญัติเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาว่านี้เป็นอย่างนี้นี้ใช้คํานี้อธิบายเข้าใจตรงกันว่าใช้ศัพท์อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็เลยสมมุติขึ้นบัญญัติขึ้นให้เข้าใจตรงกันที่ใ้ความที่มันมีปรากฏแล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปได้ของมันเนี่ยนะมันก็ต้องมีคู่กันที่ว่า ไม่ได้ถูกอะไรปรุงไม่ได้ถูกอะไรทำตั้งอยู่แล้วก็ไม่ได้มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือมันต้องมีคู่ของมันท่านจึงบอกไว้อย่างนี้บอกว่าสิ่งซึ่งไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงจะไม่มีอยู่แล้วใช่ความรอดออกไปได้ ของสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูอะไรทาที่ถูอะไรปรุงก็จะไม่ปรากฏเลยแต่เพราะอะไรเพราะเหตุที่สิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูอะไรทำไม่ได้ถูอะไรปรุงนั้นมีอยู่จึงมีทางรอดออกไปได้ของสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูอะไรทาที่ถูอะไรปรุงหมายความว่าไงเ่องนี้หมายความว่า ถ้าสมมตเราไม่รู้ว่าเอ๊ะที่มันต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเพราะมีความเกิดจึงมีความตายนี่มันจะไปยังไงแต่เป็นไงมถึงต้องเกิดแล้วจึงต้องตายมันต้องเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ไม่รู้ใช่ปะก็มันเป็นอย่างนี้ใช่ปะละ่ะถ้าเราไม่รู้มันก็จึงต้องวนไปอยู่อย่างนี้ในความที่ว่าก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามเงืงรร่อนไขปัจจัยแต่ถ้ามีความรู้ว่าเอ้ยมันมีสิ่งที่มันไม่ได้ ถูกอะไรปรุงไม่ได้ถูกอะไรทำไม่มีการเกิดปรากฏตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏไม่มีความดับปรากฏมีอยู่เนี่ยถ้ามันมีอยู่มันต้องมีทางที่ไปถึงท่านจึงคิดว่ามันต้องมีหนทางดูบฟังนี่คือตอนที่ว่ายังค้นหนทางไม่พบนะยังคนหนทางไม่พบเอ๊ะมันจะไปยังไงแต่มาคิดดูว่ามันต้องมีทางน่ะเพราะว่าถ้ามันมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับอ่ะถ้ามันไม่ดับแล้วมันจะ ได้ไงเพราะมันต้องดับไงแล้วถ้ามันมีดับได้แล้วมันจะไม่ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไปเนี่ยมันก็ต้องมีเหมือนกันท่านสังเกตจุดนี้ทบวังเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะนี่เป็นอย่างที่สามที่ทบฟังฟังอพิโซดนี้แล้วจะต้องได้จาไว้ให้ได้ว่าทางออกเนี่ยมันต้องมีถ้ามันมีดับแล้วเนี่ยมันต้องมีที่ไม่ปรุงที่ไม่เกิดด้วยเหมือนกันเพราะมันจึงดับไง เออแล้วทางนั้นจะไปยังไงนี่คือเริ่มเห็นหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเริ่มเห็นหนทางละเริ่มจากตรงปัญหาไงเริ่มจากตรงทุกไงผู้ฟังเพราะฉะนั้นพอเริ่มจากตรงทุกไปหาจุดที่มันจะดับทุกทางตรงนี้จึงเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก ในแต่ละคู่ของแต่ละคู่ของปฏิจจสมุปบาทแม้แต่คู่ของความแก่ความตายคือกองทุกใหญ่นี้และความเกิดนี้เองแต่ละตัวของมันเองเนี่ยท่านก็จึงบอกว่าเป็นอริยสัจสี่อยู่ในตัวของมันเลยในแต่ละอาการหมายถึงความแก่ความตายก็มีตัวมันใช่ไหมเหตุเกิดของความแก่ความตายก็มีความดับไม่เหลือความแก่ความตายก็มี ทางนำเนยให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความแก่ความตายก็มีความเกิดมีไหมมีเหตุเกิดของความเกิดคืออะไรความดับไม่เหลือมันมีไหมมีทางนำเนยใถึงความดับไม่เหลือมันทํำยังไงมันจึงเป็นอริยสัจสีอยู่ในตัวตอนเราพูดถึงความแก่ความตายตัวมันใช่ไหมคือความหนังเหี่ยวความมีผมงอกความฟันหลุดความสิ้นไปแห่งอินทรีย์และเหตุเกิดกองมันคืออะไร อ๋อมันก็คือความเกิดไงมีความเกิดเลจะมีความตายความดับก็มาเป็นยังไงก็ดับไม่เหลือของความเกิดนี่ละเแล้วทางนั้นเลยถึงความดับไม่เหลือล่ะมีองค์ประกอบเปนประเสริฐแอย่างอ้าวแล้วไอ้เจ้าตัวความเกิดล่ะความเกิดมันเป็นยังไงคือการได้มาแห่งขันการปรากฏแห่งอินทรีย์หรือการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วเอาความเกิดนี้มีเหตุมาจากอะไรที่บอกไปเมื่อสุดกลุ่มมันคือมีเหตุมาจากพบ ค, ความเป็นสภาวะความเป็นสภาวะมีสามรูปแบบคือมีสิ่งที่มันจะให้เกิดเป็นสภาวะขึ้นมาได้มันก็มีการเกิดเอาแล้วจะดับเจ้าการเกิดนี่ทํำยังไงจะดับการเกิดได้ก็ต้องดับว่าเรื่องภพไงแล้วทางเดินเนยถึงจุดนั้นทํายังไงก็องค์ประกอบบริสุทธ์อย่างนี้แหละเรียสัตสีก็อยู่ในตัวความเกิดเอาแล้วเจ้าตัวภพละ่ะโอตัวภพนี่คือมีการมาภบรูปภพอรูปภพในเวลา พราะมันมีความเป็นสภาวะที่อาศัยกา ร, รมาอาศัยความสุขทางตาทางหูหรือเป็นแต่รูปไม่มีการหนึ่งกรูปภพหรือสภาวะที่ไม่มีรูปเลยก็คืออารูปภพมีสามภพในสามภพนั้นตัวอะไรมาทําให้มันเป็นตัวภพขึ้นมาได้ความยึดถือเพราะมีอุปาทานความยึดถือจึงมีตัวภพก็มายึดไงว่ะเ น, นี่ยเป็นสภาวะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา ไอ้ความยึดนี่แล้วมันจะไม่มีความเป็นสปาวะเอาแล้วจะดับไอ้เจ้าตัวสปาวะนี้ได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วการคิดใครก็รู้ไม่ดีด้วยปัญญาไม่ชัดเจนนะมันก็จะไปเที่ยวหาอย่างอื่นว่าใครเป็นผู้สร้างโลกอ่ะใครเป็นผู้สร้างภพอะภพเนี่ยมาได้งไงออกมีผู้สร้างผู้สร้างนี่อะไรโอ้ยก็นั่นและผู้สร้างผู้สร้างกับพระศีวะไงะหรือพระเจ้าไง สร้างขึ้นมาแล้วมีไทม์แอนด์สเปซมีระบบของรูปของนามขึ้นมาอยู่ในพกนี่แหละเอานั้นก็ยังไม่ใช่เหตุที่มันเต็มที่ถูกต้องเนงี่ยทุกฝังเแล้วใครสร้างผู้สร้างขึ้นมาล่ะฮะเอามันต้องมีผู้ที่ ส, สร้างผู้สร้างขึ้นมาจริงใช่ปะแต่ความจริงแล้วเหตุที่จะให้เกิดความเป็นสภาวะขึ้นมาไดนน้นั้นก็เป็นเพราะว่าความยึดถือกูประทานเรานี่แหละมีความยึดถือเรานี่แหละเป็นตัวสร้างระบบสร้างชาติ เรานี้แหละเป็นตัวสร้างความเป็นสภาวะขึ้นมาจากจิตใจของใครของเราเนี่แหละยังไงนะพอมันมีตัณหาเมียวิชามันยึดถือยึดถือแล้วมันก็จึงมีความเป็นสภาวะขึ้นมามีความเป็นสภาวะขึ้นมามันก็จึงเป็นภพใช่ไหมละ่ะเอาจะดับยึดดับไงจะดับเจ้าภพได้ก็ต้องดับเจ้าความยึดถือคืออุ้ปรทานาแล้วจะให้ถึงจุดนั้นได้ไงก็องค์ประกอบอันประเสริฐแปลญานี่แหละ ในแต่ละอาการแต่ละอย่างกระปเจ้าจะมาพูดในเอพิโซดหน้านะว่าแต่ละอาการเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้อยากจะเน้นย้ำว่าแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละอาการนะั่นน่ะเป็นระยสัจสีอยู่ในตัวแล้วก็เป็นทีละคู่เดาเอาเหตุ head, และผลมาเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกันมันจึงดูเป็นสายแต่ที่มันดูเป็นสายได้นั้นเพราะมันเกิดจากความเป็นคู่ ซึ่งในแต่ละกู้แต่ละกู้นะท่านฟังถ้าแค่เราเพียงทําความเข้าใจในคู่นั้นกู่นั้นเท่านั้นเท่านั้นคนถูกได้เลยนะเขาเรว่าเพราะมีความเกิดจึงมีความแก่และความตายนี่เพราะความดับแห่งการเกิดจึงดับความแก่และความตายได้คุณทํางานจะดับให้เจ้าวความเกิดได้เอากไไระเบิดปฏิมามาร์กไปแค่นี้แหละมันจบเลย คุณเข้าใจปฏิจจสมุปบาท ต, ตลอดสายได้ในคู่เดียวคือบางคนจะคิดว่าโอ้ยท่านาพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันยาวมันเยอะนะก้องฟังทั้งหมดทุกตอนแล้วก็แต่เล่ข้อแล้วมันจะถึงเกตแล้วก็จะถึงฝังพระนิพพานได้โนโนโนป่ no, no, no, no. านนั้นก็ได้ก็ดีถ้าคุณทําได้แต่ถ้าคุณเข้าใจแค่คู่เดียวอาการเดียวเพราะมันอริยสัจสอยู่ในนี้นะคู่เดียวอาการเดียวบ่มเลย เพราะมันมีความดับของมันอยู่ถ้าหากมันไม่มีสิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้ปรุงไม่ได้ถูกอะไรทําไม่ได้ถูกอะไรเป็นแล้วมันจะยังไงล่ะแต่มันมีไงทุะฝั่งทางไหนน้าไปเนี่ยทางที่มีองค์รรประกอบอันปริสุิ์แปอย่างจึงในปฏิจจสมุปบาทนี่มีอริยสัจสี่อยู่ทั้งเกิดและดับไม่ว่าคุณจะไล่ขึ้นหรือไล่ขวางไล่ขึ้นนี่ก็คือ ไปตามสายเส้นของปฏิจจสมุบาทแต่ละอาการไล่ขวางเนี่ยก็คือไปตามเส้นทางของมรรคแจบในตัวจบในตัวได้แลอนอกจากนี้ทจำฝังในความที่ว่าตัวของมันเองใช่ไหมแต่ละอาการแต่ละาการรมเก่าเนี่ยที่อาจารอธิบายว่ามันเป็นอริยสัจ ส, สีเนี่ยมันก็คือทุกข์อยู่ในตัวไงถ้าเราเรียกถึงความเกิด เนาะถ้าเราเปรียบเทียบมาในเรื่องอริยสัจสีเอาท่านใช้ทุกว่าคือขันห้าความดับไม่เหลือคือมรรคแเหมือนกันเหมือนปเปลี่ยนตัวแปรเฉยๆไงทุกหวังโองี้ยแสดงว่าขันห้ามันก็พูดด้วยความเกิดแทนได้ใช่คุณจะสามารถเอาขันห้าออกเอาการเกิดใส่ไปแทนหรือว่าเอาขันห้าออกเอาพบใส่เข้าไปแทน เอาปบออกเอารูปทานหรือว่าเอาขันห้าใสก็ไปแทนได้อยู่ด้วว่าคู่ไหนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทก็มีขันห้าอยู่ในนี้และนอกจากนี้ต้องหวังในปฏิจจสมุปบาทแต่ละคู่แต่ละอาการที่ว่ามันจบในตัวมีทั้งความเกิดและความดับเป็นอริยสัจสีด้วยเป็นขันห้าด้วยตไตรลักษ คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทด้วยอยู่ตรงไหนเอาก็มันเกิดได้มันดับได้ไงนี่มันคือไม่เที่ยงอริยสัจสีก็เป็นตรายักษ์อยู่ในตัวอยู่แล้วอริยสัจสีก็พูดเรื่องขันธ์ห้าอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงฝั่งมันคือเป็นสิ่งเดียวกันแต่อธิบายขยายความเนี่ให้ละเอียดลงไปยืดออกไป คือจะเจ้พูดสั้นๆก็ตรายลักอันนี้จังทุกอัลลัตตาใช่ปะ่ะครึ่งบรรทัดก็จบละแต่จะอธิบายกันยาวหน่อยเพิ่มขึ้นมาอีกก็เป็นอริยสัจสี่ทุกสมุดไทยนิโรธมากอะ่ะนี่ก็เป็นสองบรรทัดพูดนี่ก็จบอยู่แต่ถ้าจะอธิบายยืดยาวต่อไปอีกอะ่ะทั้งหนึ่งหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษก็เป็นปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการแต่ละอาการออกไปนี่รายละเอียดมันจึงอยู่ที่ว่าเราต้องการเจาะลึกลงไปอย่างไร ประชาชนท่านผู้ฟังฟังในช่วงใต้ร่มรทบทนี้นะจะได้ความรู้ทั้งทางลึกและทางกว้างว่าธรรมะเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกันขันหริยสัตสีตรลักษปฏิจจสมุบาททั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อธิบายเรื่องเดียวกันให้ไปถึงจุดเป้าหมายเหมือนกันในพระโสดาบุฟังก้าพเจ้าจะมา เจาลงไปในแต่ละอาการแต่ละคู่ละคู่ที่ต่อไปอีกจนถึงอวิชชาเนี่ยมันไปยังไงจากการไตรตรองไตรกรวนของโพริสัตที่ว่าเอ๊ะทําไงถึงจะพ้นทุกข์แล้วมันไปถึงอวิชชาความไม่รู้อย่างไรแล้วมันเกิดยังไงดับยังไงหาเส้นทางยังไงในพิซโหน่าเราจะมาพูดเรื่องปฏิจจสมุปาต์ต่อกันในตอนที่สอง ในตอนนี้ทตมฟั่งได้ความรู้3ามอย่างแล้วนะข้อที่1คือเรารู้ว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นคือความเป็นเหตุเป็นผลทั้งเกิดและดับไม่ใช่แค่เกิดอย่างเดียวแต่มันดับเพราะฉะนั้นมันเป็นคู่ข้อที่ 2. คือที่เราเห็นเป็นคู่เป็นคู่เนี่ยมันมาต่อต่อกันล็อกมันจึงเห็นเป็นสายอันนี้พระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วท่านกําหนดบทเพยียรชนะให้รัดกุมและรอบคอบมากขึ้นจึงดูเป็นสายแต่จริงแล้วกําเนิดกมาเนี่ย มันเป็นคู่เป็นคู่แล้วก็ที่3มที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าเกิดได้ดับได้เนี่ยเรียสสีอยู่ในนี้ไตรลักษอยู่ในนี้ขันนาอยู่ในนี้ธรรมะทั้งหมดอยู่ในนี้แค่คู่เดียวคุณทําความเข้าใจแล้วคุณบรรลุทําได้เลยในช่วงคนได้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับธมุฟังเป็นประจําในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเชา้านำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาปาวนา กับพระมาหาภัยบูนฮาพภิปุณโ น, โนท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูนิธิพัญญา .org h a n y a .org พระเจ้าขอให้ทุกฟังเมื่อฟังใกล้ครวแล้วรับมอบสิ่งที่เป็นความรู้ให้เกิดปัญญาจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ทรงต่อมอบไว้ ้เราเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งปัญญานั้นมีส่วนแห่งความรู้นั้นพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพาณ